ความตั้ใจที่ดึงฉันและเธอมากล้ใกล้แต่ฉันคิดว่ามันถูกแล้ว บางอันที่ไม่บางอันที่ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันรู้ก็เพียงตอนนี้มีเธอในหัวใจจะเป็นโงคชะตาหรือความต่างใจที่ดึงฉันและเธอมาไกลยกลยแต่ฉันคิดว่ามัน เธอจ